บทที่44พระชนวนเดือนที่ท่านพระครูเหน็ดเหนื่อยที่สุดคือเดือนเจ็เพราะต้องทำหน้าที่อุปชาบวชให้กุลบุตรทั้งหลายที่แสดงความจำนงมาขออยู่จำพรรษาณวัดป่ามะม่วงในหล่อขอบวชก่อนเข้าพรรษาสามวันเพราะไม่ต้องใช้เวลามากนักในการท่องขานนาเนื่องจากเป็นการบวชครั้งที่สอง เขาบวดวันเดียวกับนายชนวนที่มาอยู่วัดเป็นเวลาครึ่งเดือนเพื่อฝึกท่องบาลีภายใต้การดูแลของพระมหาบุญขณะทารรพิธีในพระอุโบสถหลังจากหน้าทั้งสองครองไตรจีวรเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงตอนสวดถามอันตรายกธรรมข้อกุดทั้งพระหลอกก็ตอบนัตถิพันเต ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นโรคเรื้อนแต่ประการใดครั้นถึงรอบของพระชนวนท่านก็ตอบแบบเดียวกับพระหลอทว่าเมื่อท่านพระครูได้ยินกลับเกิดอาการเสียวแวบตรงลิ้นปีท่านรู้สึกถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงจำต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอและได้ทราบว่าพระชนวนเป็นโรคที่สังคมรังเกียจคือ โรคเรื้อนตายแล้วว่าพระมหาบุญรับเข้ามาได้ยังไงกันผิดพระวินัยนี่ท่านคิดหากก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรจึงต้องปล่อยให้เลยตามเลยมหาบุญแกมัววุ่นอยู่แต่กับเรื่องจะศึก เลยรับคนขี้ทูดเข้ามาบวชเราเองก็ผิดที่ไม่ทันได้ตรวจสอบให้ถีทุวนท่านตำหนิทั้งตัวเองและพระลูกวัดเป็นอันว่าพิธีอุปสมบทผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยคงมีแต่ท่านพระครูผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าไม่เรียบร้อยเพราะผิดต่อพระวินัยตรงที่รับคนเป็นโรคเรื้อนเข้ามาสู่สังฆะมวลดได้ไม่ถึงเดือน อาการของโรคหูหนาตาเลือก็สัมดงให้ปรากฏพระชนวนมีผื่นเห่อขึ้นตามตัวและใบหน้ายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นอมพระพฤกี่ปากและมือทำให้ปากเบี้ยวนิ้วมือหงิกงอดูหน้าเวทนาเวลาจะดื่มน้ำก็ต้องเงยหน้าขึ้นแล้วจึงอ้าปากเทน้ำลงไปน้ำหนึ่งแก้วก็ดื่มได้เพียงครึ่งแก้ว อีกครึ่งหนึ่งทิ้งด้วยว่ามือสัน่นเวลาเทจึงไม่ลงไปที่ปากทั้งหมดท่านพระครูในฐานะที่เป็นอุปชาพยายามคิดหาทางแก้ไขโดยไปหาสมุนไพรามาต้มให้พระหนุ่มฉันทำไมเธอถึงต้องมาหลอกฉันด้วยไม่รู้หรือไงว่าคนเป็นโรคอย่างเธอเขาไม่อนุญาตให้บวชท่านต่อว่าต่อขานในบ่ายวันหนึ่ง ซึ่งโอกาสอํำนวยด้วยว่าพระใหม่มหาขณะที่ท่านอยู่เพียงลำพังองค์เดียวในกุฏิก็รู้เหมือนกันครับแต่ผมปักใจเชื่อมานานแล้วว่าถ้าผมได้บวชที่วัดนี้ผมจะหายจากโรคคิด ท, ทูดกุดถังสมภารวัดป่ามะม่วงท่านมีเมตตาสูงและสามารถช่วยให้ผมหายจากโรคที่สังคมรังเกียจได้ให้ผมขอพรท่านข้อหนึ่งนะครับ ข้อเดียวเท่านั้นเธอจะขออะไรแต่ฉันยังไม่รู้นะว่าจะให้ได้หรือเปล่าขอว่าเมื่อผมศึกออกไปมีเมียให้ได้เมียสวยรวยแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ไม่มากไปหน่อยรอึเธอจบอะไรมาจะมีเมียด็อกเตอร์นะ่ะถ้าลงความเห็นว่าพระบทใหม่รูปนี้พูดเพ้อเจ้อไม่รู้จักดูสารรูปตัวเองผมล่ะครับ ผมจบป4แต่จะมีเมียด็อกเตอร์แล้วก็ต้องสวยและรวยอีกด้วยด็อกเตอร์คิเรผมไม่สนใจท่านพระครูรู้สึกบันซ่้ที่กลนเป็นโรคเรื้อนมีความรู้แค่ป4แต่อยากจะมีเมียสวยรวยแถมเป็นด็อกเตอร์จึงพูดตรงๆว่าอย่าไฟสูงให้เกินศักดิ์นักเลยผิดหวังแล้วจะเสียใจ ไม่ใช่เรื่องผู้ไฝ่สูงนะครับเพียงหลวงพ่อให้ผมก็จะได้ตามนั้นเพราะผมมีความเชื่อลึกๆว่าหลวงพ่อวาจาศักดิ์สิทธิ์โปรดให้ตามที่ผมขอเถอะครับภิกษุผู้ไฝ่สูงเซาซีฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างที่เธอหรือว่าใครๆเข้าใจหรอกนะและการให้พร น, นั้นอ่ะฉันจะให้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าเขาเป็นคนเช่นนั้นได้จริง ขืนให้สุ่มสี่สุ่มห้าจะ ก, กลายเป็นว่าฉันพูดเท็จพระสมัยนี้ชอบให้พรเกินความจริงฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านปฏิเสธแต่ผมเชื่อว่าหลวงพ่อทําได้ครับก่อนมาบวชผมได้อธิษฐานจิตว่าถ้าผมจะหายจากโรคกุดถังขออย่าให้หลวงพ่อรู้และผมก็ได้บวชจริงๆเพราะหลวงพ่อไม่รู้ว่าผมเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ อ๋อนี่เธอเล่นไม่ซื่อแบบนี้เองหรือึ้งว่าสิตอนที่พระมหาบุญพาเธอมาขอบวชฉันทึงไม่ทันได้สังเกตทั้งที่ไม่เคยเลินเล่อถึงขนาดนี้มาก่อนเพราะเธอเล่นอธิษฐานจิตไว้นี่เองถึงได้ทำให้ฉันพลาดอย่างที่ไม่ควรจะพลาดเพิ่งมารู้ตอนที่กรรมวาจาจาร์ถามเธอว่ากุดถัง พอเธอว่านัตถิพันเตฉันก็จำได้ตอนนั้นเองแต่เพราะไม่อยากให้เธอเสียหน้าจึงต้องปล่อยเลยตามเลยท่านพูดแบบเอาบุญเอาคุณเหรอครับถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาไหนก็ได้เมตตาผมมาตั้งแต่ต้นแล้วผมขอพร อ, อีกข้อเดียวโปรดให้ผมด้วยเถอะครับพระหนุ่มก้มลงกราบ อย่างนอบน้อมสามครั้งท่านพระครูทั้งหมันไส้ทั้งสมเพศระคนกันในที่สุดก็ตัดสินใจด้วยการกำหนดเห็นหนอหน่าแปลกที่เห็นหนอรายงานว่าภิกษุโรคเรื้อนผู้นี้จะสึกออกไปแล้วจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์เรืองรองที่สำคัญคือจะได้ภรยาจบปริญญาเอกรูปสวยรวยทรัพย์ตามที่ขอพรจากท่าน เราศรัทธาในท่านโดยมีอุปทานยึดมั่นว่าจะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นท่านเห็นจะต้องช่วยตกลงฉันจะให้ตามที่เธอขอแต่เธอจะต้องช่วยฉันด้วยช่วยทำให้พร น, นั้นสำเร็จผลตามที่ปรารถนาผมยินดีช่วยเต็มที่เลยครับหลวงพ่อจะให้ทำอะไรผมยอมทั้งนั้นเพื่อแลกกับพรข้อนี้พระนุ่มพูดอย่างมุ่งมั่น ถ้าเช่นนั้นฟังให้ดีนะฉันพระครูจเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงขอให้พรแก่พระชนวนตามที่ขอและเพื่อให้พรนั้นสำเร็จผลขอให้เธอปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งขัดซ่วงยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระชนวนก็ขัดขึ้นว่าทำไมต้องขัดซ่วมด้วยล่ะครับหลวงพ่อเธอจะได้หายจากโรคที่เป็นอยู่ไงละ่ะ แล้วก็จะได้เกิดปัญญาทำไม่ได้หรือถ้าทำไม่ได้ฉันก็ขอผ่อนคืนท่านแกล้งขู่ได้ครับได้ครับนิโมลหลวงพ่อบอกข้อสองข้อสองคือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาทุกวันที่เรียกว่าบทถวายพรพระใช่ไหมครับถูกแล้วต้องสวดก่อนนอนทุกคืนนะทำได้หรือเปล่า ได้ครับสองข้อเท่านี้ใช่ไหมครับมีอีกข้อหนึ่งคือให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานวันละสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าทำได้สามข้อนี้รับรองว่าเธอจะได้ตามที่ขอแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาว่าพรของฉันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพร น, นั้นต้องสร้างเองทำเองจะให้คนอื่นมาสร้างให้ทำให้ไม่ได้ เข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองว่ามาสิถ้าต้องการให้พรที่ขอสำมฤทธิผลต้องปฏิบัติให้ได้สามข้อคือหนึ่งขัดส้วมสองสวดมนต์สามเจริญกรรมาฐานผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าผมจะปฏิบัติทุกวันขอเริ่มวันนี้เลยนะครับ ผมขออนุญาตขัดซ่วมให้หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เลยผู้บวชใหม่แสดงความกระตือรือร้นไม่ต้องมาขัดให้ฉันเห็นหรอกประเดี๋ยวเจ้าแดงกับเจ้าขาวจะไม่มีงานทำนนทน์นเนี่ไปขัดซ่วมที่ศาลานั่นหรือจะไปขัดตามกุฏิพระก็ได้แต่ผมอยากขัดซ่วมให้หลวงพ่อเป็นปฐมฤกษ์ก่อนครับขอให้ผมขัดเธอ รับรองว่าสะอาดกว่าเจ้าเด็กสองคนนั่นนั่นก็ตามใจแต่ข้าอนุญาตให้ขัดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครับผมขอลงมือเลยดีแล้วนั่นก็เชิญพระชนวนจึงลุกออกไปขัดห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดาทางขึ้นชั้นบนพักใหญ่ๆก็ออกมารายงานว่าเรียบร้อยแล้วครับผมขัดใสเงาวับเลยงั้นผมลาละครับ จะไปหาขัดส้วมอื่นๆต่อไปกราบอุปชาสามครั้งแล้วลุกออกไปเมื่อกลับจากโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าและหาขนมกินรองท้องแล้วเด็กชายฝาแฝดก็ลงมือทำงานแฝดน้องถูกุฏิชั้นล่างแฝดพี่ถูชั้นบนส่วนการทำความสะอาดห้องน้ำผลัดกันคนละวัน วันนี้เป็นวันของเด็กชายขาวดังนั้นเมื่อถูกุฏิชั้นล่างเสร็จจึงเข้าไปห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดแต่แล้วก็หน้าตาตื่นออกมาบอกว่าแดงวันนี้ฝนตกใหญ่แน่เพราะหลวงพ่อท่านขัดห้องน้ำเองขัดจนเงาเลยแสดงว่าเมื่อวานนี้ทำไม่สะอาดวันนี้ท่านเลยทำเสเองเขาคิดว่าคงเป็นความผิดของพี่ชายจริงหรอ นายขอข้าไปดูให้เห็นกับตาหน่อยสิแฟดพี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วกลับออกมาบอกน้องชายว่าจริงด้วยข้าคงทำไม่สะอาดจริงๆนั่นแหละสงสารหลวงพ่อจังเลยท่านยิ่งสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องมาขัดห้องน้ำเองอันที่จริงบอกพวกเราก็ได้ไม่น่าจะต้องมาลำบากเลยนะเด็กชายยอมรับในความบกพร่องต่อหน้าที่ของตน งั้นก็ถือว่าผิดเป็นครูก็แล้วกันต่อไปนี้เราจะทำให้ดีที่สุดท่านอาจจะสอนเราทางอ้อมก็ได้เด็กใช้ขาวออกความเห็นนึกชื่นชมพี่ชายที่ยอมรับในความบกพร่องของตัวเองขณะที่คนทั้งหลายมักจะโยนความผิดให้กับผู้อื่นแม้จะเป็นการบวชแก้บนหากพระลอก็ไม่ได้ปล่อยเวลาและโอกาสให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ รมข้ามท่านกลับสร้างความดีให้กับตนโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยกิ จ, จวัตรสิบประการอันเป็นกิจใหญ่ที่ภิกษุต้องศึกษาให้เข้าใจจดจำไว้เพื่อนำไปปฏิบัติสมควรแก่สมณะสารูปแห่งตนนอกจากนี้ยังวางตนได้เหมาะสมกับฐานนะถึงจะเคยสนิทชิดเชื้อกับท่านพระครูมาก่อน ก็ไม่ได้แสดงออกหรือว่าคุยโวโอ้อวดให้เป็นที่รำคาญหูรำคาญตาของผู้อื่นทำให้อุปชาชื่นชมยกย่องว่าท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสรบุริศธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดีมีเจ็ดประการได้แก่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล คุณสมบัติทั้งเจ็ดประการนี้หากบุคคลใดมีอยู่ในตนครบครันบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตรบุรุษซึ่งแปลว่าคนดีมีศีลธรรมคนประเภทนี้นับวันก็ยิ่งหายยากและอาจจะยากพอๆกับงมเข็มในมหาสมุทรนั่นกระมัง เมื่ออาการของโรคหูหนาตาเลิศปรากฏตามเนื้อตามตัวของพระชนวนบรรดาภิกษุวัดป่ามะม่วงตังก็พากันรังเกียจท่านแม้พระมหาบุญเองก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปสนทนาปราศัยด้วยเพราะกลัวจะติดโรคจากพระใหม่คงมีแต่พระหลอ่อรูปเดียวที่ไม่ได้รังเกียจสำหรับท่านพระครูนอกจากจะไม่รังเกียจแล้ว ยังเมตตาพระใหม่ด้วยการต้มยาสมุนไพรให้ท่านฉันอย่างสม่ำเสมอทั้งมั่นใจว่าลูกศิษย์จะต้องหายจากโรคเรื้อนบ่ายวันหนึ่งพระหล่อปฏิบัติกรรมฐานเสร็จรู้สึกง่วงนอนจึงแก้ง่วงด้วยการเดินมาที่กุฏิของพระอุปชาขณะนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงกำลังต้มยาให้พระลูกวัดอยู่พอดีหลวงพ่อทาอะไรครับ พระหล่อถามเคยเรียกท่านพระครูว่าหลวงพี่ครั้นมาบวชอยู่ที่วัดจึงเปลี่ยนมาเรียกหลวงพ่อเหมือนที่รูปอื่นๆเรียกท่านไม่ต้องการทำตัวให้แปลกแยกจากหมู่คณะต้มยาให้พระชนวนหมดไปสองหม้อแล้วนี่หม้อที่สามแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งฉันยาท่านก็ยิ่งเป็นมากขึ้น หลวงพ่อแน่ใจหรอครับว่าท่านจะหายแน่ใจเสียจำไหมนะถ้ายิ่งฉันยาอาการยิ่งกำเริบแปลว่าจะหายเธอคอยดูก็แล้วกันก่อนออกพรรษาท่านจะต้องหายแน่นอนเชื่อฉันเถอะครับผมเชื่อหลวงพ่อจริงๆนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาหลวงพ่อที่มีต่อพระชนวนขนาดไม่ได้เป็นญาติ ไม่เคยรู้จักมักคุณกันมาก่อนหลวงพ่ อ, อยังเมตตาต่อท่านในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่เป็นอย่างหลวงพ่อพูดจากใจจริงฉันเพียงแต่ดำเนินตามรอยบาทเสด็จพ่อของพวกเราเท่านั้นแต่เชื่อไหมละ่ะที่ฉันทําอยู่ดีนะ่ะเทียบได้กับเศษธุรีของพระองค์เท่านั้นเธอเคยได้ยินเรื่องพระปูติต ต, ติติสะ พิสูจที่มีกายเน่าไหมละ่ะท่านถามพระลูกวัดผู้ซึ่งเคยผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันไม่เคยครับอยากรู้เรื่องของท่านไม้มท่านเป็นพระอาหารหันด้วยนะอยากครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับได้สิแล้วเธอจะเห็นว่าสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นะ่ะ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายอย่างหาที่สุดไม่ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าบุรุษชื่อติดสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีได้เข้ามาบวชในสำนักของพระสมณะโคโดมบวชได้ไม่นานก็เกิดเป็นโรคฝีดาษเป็นแผลผุพองขึ้นตามตัวและใบหน้าเต็มไปหมดครั้นฝีแตกก็มีน้ำหนองไหลยเยิม้มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเป็นที่รังเกียจยิ่งนักและถูกเรียกว่า พระปูติคตติสะแปลว่าพระติสะผู้มีกายเน่าท่านถูกเพื่อนภิกษุทอดทิ้งไว้เพียงลำพังต้องนอนทนทุกขเวทนาอยู่แต่ผู้เดียววันหนึ่งพระปรมศาสดาเสด็จมาพบเข้าทรงมีพระเมตตาพยาบาลภิกษุอาพาธโดยทรงต้มน้ำร้อนเพื่อผสมน้ำเย็นให้เป็นน้ำอุ่นมาสงคตติสะได้สงน้าจนร่างกายสะอาด แล้วก็รู้สึกสบายขึ้นพระบรมศาสดาทรงถือโอกาสนั้นแสดงธรรมโปรดยังผลให้พระปุตะติคตติสสะได้บรรลุอรหันตผลจากนั้นภิกษุอาพาธก็ปรินิพานท่านทำกรรมอะไรไว้หรือครับจึงได้เป็นผู้มีกายเนา่าพระพุทธองค์ตรัสบุพกรรมของภิกษุรูปนี้ว่าในอดีตชาติท่านมีอาชีพขายนก ได้นาตาขายไปดักนกและนําไปขายเมื่อขายไม่หมดก็หักขาหักปีกเพื่อการไม่ให้มันบินหนีพรั้นมันตายเน่าก็นําไปทิ้งด้วยกรรมอันั้นแหละที่ทำให้ท่านตอมาเป็นผู้มีกายเน่าแต่ที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เพราะอานิสงส์ที่ท่านเคยถวายบิณฑบาแตแด่พระปเจกับพุทธเจ้าหนึ่ง แล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านจึงได้บรรลุเมื่อได้สดับธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ทีนี้เธอเห็นหรือยังละ่ะว่าเสด็จพ่อของพวกเราอ่ะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาปานใดทรงส่งน้ำและซักจีวรให้พระภิกษุนั้นโดยไม่ได้ทรงรังเกียจฉันจึงได้พูดว่าที่ท่านทำเนี้ย ก็เป็นเพียงเศษธุลีเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยงดงามเหลือเกินนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองมีบุญที่ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อผู้ซึ่งมีน้ำพระทัยงดงามดุจเดียวกับเสด็จพ่อภิกษุไวไลเลีย ก, กับสมภารพูดอย่างซาบซึง้งมากไปมากไปสำหรับฉันเอาแค่น้ำใจก็พอไม่ต้องน้าพระทยัยเดี๋ยวขีกรากขึ้น ฉันว่าเธอมีบุญต่างหากที่ได้บวชคนบางคนอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชก็มีอย่างสมัยพุทธกาลบุรุษผู้หนึ่งชื่อปุกกุสาติได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีจึงทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสให้ไปหาบาตรและจีวรมาปุกกุสัติจึงถวายบังคมแล้วหลีกมา เพื่อจะไปหาบาทและจีวรปรากฏว่าท่านถูกวัวบ้าขวิด ต, ตายโดยที่ยังไม่ทันได้บวชเพราะกรรมอะไรครับพระพุทธองค์ตรัสบุพกรรมของปุกะกุสาติว่าในอดิตชาติท่านไม่เคยทำทานไม่เคยถวายบาทและชีวรแก่พระปเจกับพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับอนิสง์ของทานคือไม่มีผู้ใดถวายบาทและชีวรแก่ท่าน ท่านก็เลยยังไม่ได้บวชในพระธรรมวินยัยแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าสงฆ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านอยู่ในประเภทคู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปกบุรุษใช่ไหมครับถูกแล้วดังบทสวดในสังฆคุณว่ายะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถ ะ, ะปุริสาปุกขลาผู้ซึ่งสำเร็จอรหัตผล เป็นพระอาหารหันต์กำลังจะไปหาบาทกับจิวรก็ถูกวัวแม่ลูกอ่อนขิดถึงแก่ปรินิพานแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าสงนอกจากนี้ก็ยังได้รับยกย่องให้เป็นเอตัทัคคะในทางตรัสรู้จับพลันและเป็นหนึ่งในอสิติมหาสาวกอีกด้วยอสิติมหาสาวกแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระสาวกผู้ใหญ่แปสิบองค์ และก็ในแปดสิบองนี้บางองค์ก็เป็นเอตทธัคคะในด้านต่างๆเช่นพระสารีบุตรเป็นเอตทธัคคะในทางมีปัญญามากพระโมคคลานะเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มากเป็นต้นเอตัทัคคะแปลว่าอะไรครับภิกษุวัยกลางคนใค ร, ร่รู้นี่อยากรู้จริงๆหรือว่ายวนชั้นกันแน่ อุปชาถามเพื่อความแน่ใจผมมีเบ่งอาจยวนหลวงพ่อหรอกครับที่เคยยวนเมื่อครั้งอดีตผมก็ต้องขออโหสิกรรมตอนนั้นผมยังเป็นนมยังอยู่ในวัยคึกขนองจึงไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ์สารภาพเอาละชันอโหสิทีนี้ก็จะเฉลยในสิ่งที่เธอสงสัย คือคำว่าเอตตัทคะซึ่งหมายถึงพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเช่นพระมหากัะสปะเป็นเอตตัทคะในทางถือทุดงพระอนุรุทธะเป็นเอตตัทคะในทางทิพยจักสุเป็นต้น ขอบพระคุณครับวันนี้ผมได้ความรู้มากเหลือเกินที่ผมมาที่นี่เพราะผมง่วงนอนก็เลยกลายเป็นว่านอกจากจะหายง่วงแล้วยังได้ความรู้อีกมากมายขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเล่นๆมิด้วยหรืออุปชาเริ่มยั่วหลวงพ่ออย่าว่าอะไรนะครับสิ์รู้สึกงงอ้าว ก็เธอจะพูดขอบคุณจริงๆก็แสดงว่าต้องมีขอบคุณเล่นๆหลวงพ่อว่าอะไรนะครับสิทธิรู้สึกงงอ้าวก็เธอพูดว่าขอบคุณจริงๆก็แสดงว่าต้องมีขอบคุณเล่นๆด้วยนะสิมีขาวยังมีดำมีมืดก็มีสว่างมีสุขก็มีทุกข์ฉันก็เลยเมาเอาว่ามีขอบคุณจริงๆก็ต้องมีขอบคุณเล่นๆด้วยหรือเธอว่ายังไง ผมคงไม่ว่ายังไงหรอกครับขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นใดๆบัด น, นี้ผมหายง่วงแล้วจะกลับไปปฏิบัติต่อที่กุฏินะครับยังไม่ทันที่พระอุปชาจะอนุญาตสิทธ์ก็กราบสามครั้งแล้วลุกออกไปหากคืนอยู่คงอดไม่ได้ที่จะต้องต่อล้อต่อเทียงเพราะความเคยชินถึงอย่างไรท่านก็มิได้ให้สับริสธรรม ต้องพร่องไปโดยเฉพาะข้อสกับข้อ7คือรู้จักตนและรู้จักบุคคลขณะนี้เวลานี้ตนคือพระลูกวัดส่วนบุคคลที่ตนสนทนาด้วยก็คือสมภารแล้วก็ยังเป็นอุปชาของตนหากคืนต่อล้อตอเทียงก็จะเสียคะแนนไปเปล่าๆขอกลับไปทำกรรมาฐานดีกว่า